อาตพบดิกาทุกท่านทั้งฝ่ายบันคชิตและคกือหัดในวันวันธรรมโชติเป็นวันพระแลมแปดข้ามเป็นยี่ในปีนี้วันพระรวดเร็วมากมาถึงแลมแล้วแป่ข้ามในวันนี้ที่เราเรียกกันว่าวันธรรมโชติเป็นวันพระที่เราพุทธบริษัททั้งหลาย ได้เตรียมตัวฟังธรรมปฏิบัติธรรมะสร้างความดีในวันพระทาจิตใจเป็นพระในวันนี้เรียกว่าวันธรรมสวนะเป็นหน้าที่ของอุบาสกบัิกาทุกท่านกาับสาวโบสด <c oughs> กำหนดองค์แปดประการเรียวกว่าอุโบสถท่านผุ้ศษาในกระชนทั้งหลาย ก็มาเยรักษาโวโสถก็รักษาศีลที่มีกำหนดไว้องห้าประการตั้งแต่ปานาถึงสุลาไม่ขาดเป็นนิจศีนเป็นอาจินเรียกว่าพุทธศาสนิกผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาแล้วเรียกว่าชาวพุทธแต่เราท่านทั้งหลายเข้ามาสู่ภาวะแห่งวัดปฏิบัติ จเจริญกรรมฐานถือว่าเป็นฐานะที่ดีมีปัญญาไม่จนเป็นคนรวยทรัพย์รวยชื่อเสียงรวยความรักในวันธรรมสวนะมาปฏิบัติกรรมฐานสร้างพระไว้ในจิตใจสร้างความดีว้ในชีวิตวางลากฐานของจิตให้แน่นหนาด้วยความอดทนต่อสู้กับการงานและหน้าที่ อันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องของชาวพุทแล้วบางท่านตัวไม่ทราบวันพระอยู่ที่ไหนอย่างไรไม่เคยเข้าสู่วัดปฏิบัติธรรมก็ไม่รู้วันพระแต่ถึงจะเป็นวันเป็นวันพระแต่เราจิตใจก็ไม่เจริญพระจะเป็นวันใดดีหมดทุกวันแต่ท่านกำหนดให้เราทราบว่าวันที่ควรจะบาเพ็ญกุศลหนึ่งสัพดาต่อวัน ก็เรียกวันธรรมชุะเป็นการสมมติขึ้นมาว่า น, นี้วันนี้พระเันพระแต่ถึงหากว่าวันปกติธรรมดาไม่ใช่วันโกนเป็นพระเราก็สามารถจะปฏิบัติธรรมได้ทุกวันในการสร้างความดีนั้นทาได้ทุกเวลาทุกนาทีทองประคองไว้ที่จิตใจคนเราจะดีได้หรือดีไม่ได้นั้นมันอยู่ที่จิตใจ จนแต้งจนปัญญาจนหลักฐานจนงานทาจนด้วยสติปัญญาและความสามารถทุกปรืการเรียกว่าความจนแต้จนท่าจนกรอกบอกไม่ได้ใช่ไม่เป็นไม่สามารถจะมีหนทางมรคามคาเดินต่อไปได้กแก่เรียกว่าคนจนมันจนแต้มอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นการที่ฉันทั้งหลายมาสู่วัด ปฏิบัติธรรมถ้าชั้นตามก็เรียกว่าพุทธศาสนาหนึ่รักษาสิกขาบทห้าประการไม่ขาดเป็นนิจศิงถึงจะเรียกว่าพุทธศาสนาหนึ่แต่ถึงวันพระเราก็เข้ามาสู่วัดกันเป็นชั่วโมงเดียวกว็าตามสองชั่วโมงก็าตามรักษาอุโบสถขณะนีน้กายกรรมสามวจีกรรมสี่มนโนกรรมสามให้ครบกรรมทางกาย กรรมทางวาจากรรมทางจิตไม่มีจิตใจสบายจิตใจสงบนี่แหละท่านมาปาลารถทำเรียกว่ากรรมบทศิประการเรียกว่ารักษาอุโบสถจะสินมีสติสัมปชัญญะถึงหากว่าท่านจะแม้ทำมีสติได้แค่ชั่วโมงเดียวก็ดีดีกว่าไม่มีเลยท่านมีศิลนมีธรรมแม้ชั่วโมงเดียวก็ดีแล้ว ดีกว่าท่านจะไม่มีอะไรเลยว่างไปว่างมาเปล่าไปเปล่ามาเป็นตน้นแต่วันธรรมชวนะเช่นในวันนี้เราก็สร้างความดีพบพระกันในวันพระทำใจให้ประเสริฐสักหนึ่งชั่วโมงไม่ต้องถึงวันละคืนเมื่อก่อนนี้คืนก็วันเช่นเวลาวันนี้นะ่เป็นวันอุโบสถถ้าเรากลับจากวัดไปก็มันมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความว่าวุ่นในบ้านบ้านเราเนี้ยมีแต่ของปลอม มีแต่ของหลอกลวงตลอดรายการก็หลอกลวงกันไปทั้งโลกียวิสัยก็จําเป็นต้องหลอกไปตามสภาพของโลกทุกวันแต่เราอยู่ในวัดหลอกใครไม่ได้เรามาแสวงหาของจริงแสวงหาของที่มีประโยชน์ในชีวิตจิตประจําวันของเราเรามาเจริญพระธรรมฐานเจริญสติ แตเลินแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ชัดเจนแล้วก็ควรจะใส่ใจในภาคปฏิบัติให้มากจึงจะถูกต้องเท่าหลับเราเป็นพุทธศาสนิกและเป็นชาวพุทธอย่าเป็นชาวพุทธแบบฟอร์มไม่เกิดประโยชน์สทตย์พ้นแต่บริการได้เพราะฉะนั้นเรามีหลักสามประการที่เราต้องทำกันนั้นทานศีลภาวนาถ้าพระก็ใช้ใสาขาสาม ศีลสมาธิปัญญาก็อันเดียวคล้ายกันแต่โยมเป็นผู้ครองเลือนครองลักครองรถพุชนาปกครองบ้านปกครองเมืองของตนดูด้วยความร่มเย็นเป็นศกมีบุตรมีธิดาหลานๆเล็งๆมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่ในบ้าน ก็เรียกว่าปกครองบ้านปกครองเมืองให้มีความสุข ก, ก็ต้องมีหลักสามประการทานศีลและภาวนาทานคือเผื่อเฉ ล, ลียความสุขซึ่งกันและกันเป็นการให้และช่วยซึ่งกันและกันไม่ทะเลาะมีว่าการพี่ต้องให้น้องน้องต้องช่วยพี่สร้างความดีให้บิ ด, ดามันดาเรียกว่าทานเสียสละได้ ไม่เอาลัดเอาเปรียบกันนี่สำหรับภารวะและการที่สองศีลเราก็มีสติสัมปชัญญะประจำจิตบังคับใจถ้าหากว่าจิตเราฝึกสมาธิดีสามารถจะควบคุมตัวว่าหญ่ดีมากจะไม่ตัวเราเหลิงละลายออกไปนอกรูนอกทางควบคุมไว้ได้เหมือนอย่างมีโลก เรามีโครคภัยไข้เจ็บยากทานไปหนึ่งเม็ดสามารถควบคุมโรควระดายยี่สิสี่ชั่วโมงบางเม็ดควบคุมโรควระดายหกชั่วโมงบางเม็ดใช้ได้สื่ชั่วโมงเลยไปต้องกินใหม่ชั้นใดก็ชั้นนั้นถ้าเรามีสมาธิอยู่มากเจริญกรรมฐ า, านฝึกไวเป็นระดับเป็นปัจจุบันธรรมแล้วสามารถควบคุมตัวอยู่ได้ตลอดไป ถ้าเรามีสติป 4, ัญฐาสี่เจริญสิงอยู่ตลอดรายการในช่วงบุ้งนั้นลมให้ใจเขาออกมีสติสัมปชัญญะสามารถจะควบคุมจิตให้คุมตัวเราได้ไม่พลาดไม่ประมาทไม่ละโอกาสอันดีงามจิตใจจะไม่เหลิองออกไปนอกรูนอกทางได้แน่นอนแต่เราก็ไม่เคยฝึกไหนเลยเราจะควบคุมตัวเองควบคุมจิตไว้ได้ จิตก็ไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ตัวเองก็ออกไปหละหล้วมหล่ะแหละเล้วหลออกไปนั่งรูกหนอทางจนแต้มจนกรอกจนประตูจนเงินจนทองไล่ข้าวไล้ของมันเป็นเพียงความจนไม่ล่ามรวยกับเขาเลยนี่แหละขาดทานถึงละภาวนางไม่มีการช่วยใครไม่มีการให้ใคร ยุคใหม่สมัยนี้เห็นกับตัวกลัวลําบากความยากเกิดขึ้นตลอดรายการเมื่อสมัยโบราณปู่ย่าตายายเขาไม่กลัวลําบากเขาไม่กลัวความยากไม่กลัวอดทนต่อสู้กับการงานตลอดรายการถึงลูกหลานเขาจึงอยู่เย็นเป็นสุขใช่หลักคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปกครองตอนปกครองตัว ปกครองครอบครัวดูเย็นเป็นสุขสามารถครวบคุมครอบครัวไว้ด้พอบ้านแม่เลือนที่ดีได้แก่ธรรมะได้แก่คำสอนของพระพุทธเจ้าอันนั้นบ้านนั้นไม่จนจะเป็นคนรวยด้วยทานรวยด้วยศีลรวยด้วยปัญญาเรียบะทานศีลภาวนาทำให้เกิดปัญญาแหลมเลึกปรับไปด้วยสติ ปัจฐานสีและปัญญาก็จะเกิดแก้ปัญหาชีวิตได้ทุกประการตรงนี้เป็นหลักสาคัญอีกประการหนึ่งด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายที่ท่านมาปฏิบัติตามกันต้องการอะไรอยู่หรือต้องการแก้ไขปัญหาแต่การที่เราปฏิบัติตามคำสองสั่งสอนของพระพุทธเจ้าละคนนั้นจะแก้ปัญหาชีวิตได้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น ก็ได้แก่การเจริญธรรมซ้ำมาปฏิบัติในหน้าที่อันนี้การเจริญธ ร, รกรรมฐานน่นเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมทําให้ธรรมะแน่นหนาฝังจริยะให้แน่นในจิตใจจิตใจจะมั่นคงจิตใจจะถาวรจิตใจจะลงลากลึกก่อตึกสูงได้เทียมเวหาชีวิตชีวาก็จะก้าวไปสู่ไกลก้าวไม่ใช่เกาะเกไม่ใช่เก็เกเกบสืบเสาะเจาะให้ลึก ตลอดรายการนีเนี่ยเป็นตัวสํำคัญของการปฏิบัติธรรมท่านจะไม่จนจะไม่มีความจนแต่ระบการได้วันนี้จะพูดกันเรื่องเรื่องความรวยความสวยความดีความมีปัญญาที่จะต้องแก้ปัญหาชีวิตจากความจนสิ้นจนใจจนแต้มจนปัญญาเละคนเรายุคใหม่สมัยนี้มันมีแต่ความจนจนตลอดรายการจนแต้ม จนกรอกออกประตูไม่ได้ก็เนื่องจากขาดแสงสว่างในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเดินทางคลาไปด้วยความมืดมืดและบอดทั้งมืดทั้งบอดตลอดเลยการไม่มีอะไรสว่างสวัยในจิตใจทุงท่านเลนถ้าเราทําตามคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะ่ะถ้าจะมีแต่ความสว่างมีแต่ความสวัย มีแต่แสงเดือนส่งล่าสง่าสวยงามแสงพระอาทิตย์ก็จะแสงพระจันทร์ก็ส่งล่าสง่าสวยงามแต่ทั้งหลายเอ๋ยพระอาทิตย์ส่งแสงก็ไม่สามารถจะส่งแสงเข้ามาในตู้นี้ได้พระจันทร์วันเพ็นลอยเด่นวาาิภาเกศแสงสว่างก็จริงแหละแต่ทว่า แสงแตะจันนั้นก็ไม่สามารถจะส่งไปในที่ตู้ในห้องมืดของเราได้แต่แสงอะไรหนอส่งได้แสงปัญญาแสงปัญญาที่เราได้จากการเจริญระกรรมฐ า, านเกิดแสงสว่างไม่มืดบอดชีวิตจะแจ่มใสทำใจให้สาบายเป็นปกปติตลอดรายการ จะรู้เหตุรู้การรู้นอกรู้ในรู้เหนือรู้ใต้รู้กาละเทศะิจลัคณะได้จะรู้ถึงบาปถึงบุญคุณละโทษประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ท่านจะรู้ถึงเชิงไปแสงอะไรจะเกิดแสงสว่างด้วยแสงธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้านั่นคือตัวปัญญาสามารถจะส่องเข้าไปในตู้ได้ แต่แสงอาทิตย์แสงประจานส่งไม่ถึงตามทั้งหลายเอ่ยแสงไฟฟ้าก็ไม่สามารถจะส่งเข้าไปในตู้นั่นนหะแสงปัญญาแก้ไขปัญหาสามารถจะสอดส่องดูที่มืดให้เป็นแสงสว่างคือทางปัญญาหลอบลู้ในกองการสังขา น, นจะอ่านตัวออกจะบอกได้ใช่เป็น จะทำอะไรก็เห็นแต่ปัญญาแก้ไขปัญหาได้ทุกชนิดนี่แหละท่านมีสติจะควบคุมจิตของท่านไม่ได้จิตของท่านก็จะไปควบคุมร่างกายต่อไปกายจะยืนหรือจะเดินจะนั่งจะนอนจะเลี้ยวซ้ายแลขวาคู่เหยียดอีกขาท่านจะมีศิ่งอยู่ในตัวตจะมีจิตใจเป็นแม่ตาปราถนาดีในตัวทำอะไรก็มีแต่ให้กับช่วย ออกมาอย่างท่านจะรวยไม่ไม่พักรวยน้ําใจรวยจิตรวยนอกรวยในรวยอัจฉริยะใสมีมนุษย์อยสัมพันธ์ทาอะไรท่านจะรวยมีเมตตาปราธนาดีทุกคนานจะเกิดแสงสว่างไปไหนไม่มีเรื่องราวกับใครไปไหนไม่แพ้เอารัดเอาเปรียบท่านผู้ใดอาจะมุ่งแต่ความเสียสละ ลดละความหิ้งกับตัวท่านจะไม่มัวบายามุกแต่จะหาสร้างความสงบสุขให้แก่ครอบครัวลูกหลานของตนในครอบครัวท่านจะทําตัวเป็นแบบต่อสังคมต่อไปในโอกาสข้างหน้าแน่นอนและชัดเจนมากต่านทั้งหลายเอ๋ยผู้ที่มาเจริญกรรมาฐานได้ที่ท่านผู้ปฏิบัติธรรมท่านไม่ได้สน ให้เมสติทุกลมให้ใจเขาออกเมสติทุกอริยบทเช่นหูได้ยินเสียงมันได้ยินอยู่แล้วตั้งสติไว้ได้ไหมว่าคนนี้พูดโกหกหรือเปล่าน่าจะเอาตรงนี้เป็นจุดหลักเห็นหนอเห็นด้วยปัญญาหรือเปล่าฟังด้วยปัญญาหรือเปล่าคิดด้วยปัญญาหรือเปล่าท่านคิดกันไม่อย่าใช้สติปัญญาคิดกันหลาลวมเหลวไหลงานออกมาเสียหมด ท้านฟังไม่เป็นฟังเรื่องปัญญาได้ไหมเขามาดา่าเรามีปัญญาฟังถ้าเรามีปัญญาฟังมีสมาธิดีมันจะไม่รับคํำด่ามาไว้ในใจมันจะปิดไว้ไม่เอาความดา่าความเลวของใครมาไว้ในตัวเองถ้าคนไหนที่เลวร้ายเลวร้ายกาดในตัวจะชอบไปหาเรื่องชอบไปหาเรื่องคนดา่า พไปหาต่อว่านินทาว่าร้ายถ้าเรามีสติควบคุมจิตได้โดยเจริญสมาธิสติปัฏฐานสี่ท่านจะไม่สนใจคำด่าชนิดนี้ท่านจะฟังเป็นด้วยปัญญาอ๋อไอ้คนนี้มาด่าเรามาว่าเราใส่ร้า ย, ายป่ีหลังสตติเราก็จะบอกว่าอย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกะเกลือมันจะเหลียววิสัย เพราะพินเสนนัน่นแพงกว่าเกลือเราเนี่ยเป็นสาวราคาต้องสองล้านเขามาขอเกลือออกไปทะเละเขากลางตลาดราคาตกเกหลือสลึงเฟื้องไม่มีใครซื้อต่อไปชั้นใดก็ฉะ น, นั้นคนดีมีปัญญาจะอยู่ด้วยความสงบอยูด่ด้วยสมาธิเป็นล่มใหญ่ภายในย่อมลมเย็นเป็นสุขจะไม่ออกไปทะเละวีวายกับท่านผู้ใด นี่น่ยฟังเป็นต้องฟังอย่างนี้ฟังด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาเห็นสาวหรือหนุ่มมารูปร่างดีหรือชั่วประการใดต้องสืดส อ, อบเจาะให้ลึกเห็นหนอทิศะลงปลายเท้าปลายเท้ากุญทิษะเหมือนท่านยืนหนอห้าครั้งทําให้มันได้ถ้าท่านทําไม่ได้เสี ย, ยใจด้วยแต่ท่านทําได้แล้วท่านจะรู้เลยเนี่ยคนนี้นิสัยเป็นอย่างไร เราครบค้าสมาคมได้ไหมคบได้แต่ค้าด้วยไม่ได้เป็นคนเลวค้าด้วยต้ององเราแน่คบไปเถอะแต่อย่าค้าอย่า อ, อย่าเอาหน้าเอาตาแบบนั้นชีวิตนี้จึงมีค่าเวลาถึงจะมีประโยชน์ได้คนเราจะไม่ใช่คบค้าสมาคมก็ันทุกคนแต่คบที่เรากินกัญชาได้แต่เราไม่ไปกินกับเขาเราไม่ไปค้ากับเขา เราไม่ไปขี้เลา่าเขาดูเยื่องกาอย่าเอาอย่างกาว่าอีกาเนี่ยดูเยื่องมันเป็นขโมยกินของเป็นนี่อันนี้เราไม่ฆ่ากับมันแต่ดูเยี่ยงมันไว้ว่าอีกาเนี่ยมันเตื่นตีสีหากินขยันมากก็เอาเยี่ยงมันมาใช้ได้ไม่ได้ไอ้คนนี้ขี้เล่าเมายาแต่มันขยันหากินจนล่ำรวย ก็ต้องครบมันจะอย่าฆ่าก็มันจะไปกินเหล้าก็มันได้ไม่ได้ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายต้องมีพวกไว้ทุกชนิดองสมเด็จพระโพทิศสั์เจ้าพระเวชนดอนจอมปลาดให้สะดกมหาทานแกยาจกวันนี้พกก่อนที่จะเดินทางไปบำเพ็ญทดเป็นดาวบทพเพลิดีอยู่ป่าหิมาานเขาบกก แต่ยักล่าวออกมาชัดเจนสุราบาลจะติดถินินทาจะต้องให้สุลาเป็นทานด้วยมิชนะนพวกสุราบาลก็จะติดถิ่นินทานท่านยังให้เล่าสุลาเป็นฐานได้นี่แหละพระโพธิสัตว์เจ้าถึงจ ะ, สะเสวยประชามกตอนสเสวยประชากเป็นเวชฉันดอนการบดถั่วจอนเข้าสู่ป่าหิมาทานให้ทานทุกชนิดทั้งสุลายาเมาก็ให้ฐานนี่แหละคบค่าสมาคม พบได้อยากฆ่าฆ่ากับเขาก็ไปกินเหล้ากับเขาไปกินยาฝิ่นกับเขาเช่นนี้หาขวรไหมไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงการสาทุกชนพุทธบริษัททั้งหลายเอ๋ยที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ต้องการตรงนี้นะไม่ใช่ต้องการมาเที่ยวเล่นกันก็ขอฝากขอบินทบาทโยมหญิงโยมชายณสถานที่อุบาสกบริการอย่าเอาเรื่อง ก, กับใครนี่ย มากินน้อยนอนน้อ ย, อยพูดน้อยทำความเพียรให้มากอย่าไปสนใจอใะครทั้งนั้หูนี่อย่าเอาเสือออกไปข้างนอกเขาพูดกันที่โน้นออกไปย่องไปแอบฟังอย่างนี้คนระแพทย์นี่คุมจิตไม่ได้คุมตัวไม่ได้ไม่อยู่แล้วคนที่ดีมีปัญญาจะโลองขึ้นสามลาเงียบจุด ดูในสนามยุทธนาจะไม่ลบกระดับตะเกียมพร้อมที่จะฆ่าศึก 50, จะมาล้อมพระนครกายนาครไว้จงได้ต่อสู้ต่อเหตุการณ์ในฆ่าศึดหานหึกในสงครามได้แต่ที่เหลือนาะบนะประการเป็นต้นอย่างนี้อย่าลบไม่สู้สร้างความรู้ให้แก่ตนเองเป็นประการสาคัญ น, น, นี่แลนะกรรมฐ า, านมาแล้วอย่าไปคุยกัน กำหนดได้ภายในเจ็ดวันท่านจะรู้จริงขึ้นมาท่านเคยใจร้อนเปิดประตูก็ค่อยๆเปิดนอเปิดหนอปิดหนอช้าๆจนเคยชินจิตใจท่านจะเย็นลงไปมากสบายท่านจะรวยน้าใจท่านจะรวยชินจะรวยฐานรวยทั้งสติปัญญาแน่นอนเดินไปห้องน้ำปากสาวะอุจจาระก็กาหนด มีสติทุกประการรับรองท่านจะใจเย็นขึ้นท่านจะรวยมากขึ้นท่านจะไม่มีความจนอยู่ในจิตใจจะไม่จนนอกจนในจนจิตจนใจต่อไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะไม่เป็นคนใจร้อนข้าพเจ้าจะใจเย็นช้าพอช้าช้าพอช้าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำ สิบมือคลำยังไม่เท่าจิตยับยัง้งพี่น้องที่รักเ อ, อ๋ยเข้าเถื่อนต้องเตรียมพระเข้าป่าต้องเปรียมมือพระกะท่าขวานเพราะว่าอุปสรรคมากมายเหลือเกินในโลกมนุษย์นี้ใดแกฝากน้ำต้องหาอาวุธเรามานี่ทุกคนนี้ต้องมีอาวุธประจาตัวด้วยกันทุกคนโบราณท่านว่าไว้ไม่ใช่เรื่องเล้ยวไหลเข้าเถื่อนต้องเปรียมพระ คนเข้าป่าต้องเตรียมมีดพลากระทาขวานไปตัดฝากน้ำที่มันขวางทางญ้าิโยมทั้งหลายอยูจะปลูกบ้านปลูกเกรียนก็ต้องถางป่าถางพงให้เตียนก่อนนี่ชั้นใดก็ฉันนั้นเราจะทำอะไรก็ต้องถากต้องถางต้องเตรียมมีดพลากทาขวานดังที่กล่าวแล้ก็ได้ความออกมาว่าเกิดมาเป็นมนุษยชาติต้องเตรียมอาวุธ อาวุธของเรานั้นได้แก่ปัญญาวุฒโธมีอยู่ในตัวของเราแล้วนี่คือปัญญาการเจริญพระกรรมาฐานเป็นอาวุธสามารถจะผลักผลานพวคกค่าศึกขี้เหรดที่บันเหตุทำลายเราในตัวเองได้ดังที่กล่าแล้วเราขอเจริญพอรอย่างนั้นต้องเกลี่ยอาวุธที่ท่านมาเจริญทำสัมมาปฏิบัติก็เตรียมอาวุธประจาตัว แต่ไขปัญหาให้ได้ในหมู่บ้านของตนเพราะคนเรามีแต่ปัญหาให้ยุ่งยากแถมสร้างปัญหาแก่ตัวเองได้เหนื่อยยากได้ยากจนมีเงินมีทองก็สร้างให้ปัญหาให้หมดลอยล้อปัดเงินทองก็ไม่มีอีกแล้วท่านจะเอาตรงไห น, นก็ขอฝากวันนี้จะพูดถึงเรื่องความรวยความจน เพราะเห็นคนจนกันมากในยุคสี่ศูนย์จนมากเศรจจะตกก็ขอฝากไว้มีในสักชัยที่ประศร น, นังทิ่ประศรหาณรงศีมาที่วัดหมดเนื้อปัญญาตัวแจงเงิเ น, นทองไม่มีแม้แต่ต่างเดียวอตาตมาดูหน้าเห็นหนอคนนี้จะรวยมหาสารเช่นเช่นเหรอเห็นหนอ จะรวยงูเห่งขึ้นเห็นหนาะเนี่ยฟังให้ดีนต้องส่งอระแสจิตทั้งนี้ถ้าตรงสัมผัสปับ๊บเราจะดูหน้าผากเขามันมีแสงแตาหน้าผาก ด, ดําแจ้งทุกหลายแง้งแง้แงตรงนี้อน่ยกรรมฐานทําให้รวยไม่อยากรรมฐานเนี่จะไปสวา่านิพานทิ้งผัวทิ้งเมียการทิ้งลูกไม่ใช่เห็นหนอดูหน้าผากใหรว้บัางสิมันมีงูเห่งไหม มันเฮงไร้สวยคือเซงรีฮอไหมไม่มีหอแล้วมันก็เจง น, นี่ไงสากชายนี่หมดตัวเนี่ยมาหลวงพ่อครับผมหมดตัวเลยเนะี่ยไม่มีจริงเชื่อเราไหมเข้ากรรมฐ า, านเลยเจ็ดวันเจ็ดคืน อ, อย่าพูดกับใครนะเข้าไปเดยอะนี้เดี๋ยวหลวงพ่อช่วยพอได้กรรมฐ า, านปัญญาเกิดได้อาวุธเนะี่ยตานนี้อาวุธไปต่อสู้แล้วนี่เปิดร่างค้าอาหารอ็อฟไทยแหลก ออสเตรเลียจะไปเปิดบูนาย์เปิดล้านอาหารห้าร้านบัตรนี่เลี้ยเก็นไปลอยล้านดูกฏแหงกรรมเนี่อนที่เบ็ต่อไปเขาฝากไว้บางคนมาไม่เอาขี้เกียจแล้วมันจะรวยเหรอมานั่งคุยกันปากยื่นปากยาวตลอดรายการเนี่ยมาปากยื่นปากยาวเนี่ยเปิดประตูดงังเึิงปังเึงิงปังกระแทงคุยกันด้วยนะคุยกันด้วยนะแล้วจะรวยเหรอ คุยเรื่องอะไรสับเพฮละหรอขอฝากญาติพี่น้องมาด้วยอยากคุยได้ไหมกินน้อยนอนน้อยพูดให้น้อยทําความเพียรให้มากเจ็ดวันท่านจะรู้เรื่องเดินจงกรมไปสิไปห้องน้าห้องถ่าเดินอย่างสวนสนามไปเลยผุดปราผุดปราแล้วไปคุยกันเท้าวความหลังไอเรื่องบา่าบาบา่อแล้วก็แม้เกรดเดียวกันในมันจะอยู่ห้องเดียวกันให้เสียงให้หึมเลยคุยเรื่องนินทาผัวนี่ ได้ยินมาถึงชุวันราชพปลาเนีกล้องมายังชุวันราศพรลานอกคูจะตายในเรื่องจริงนะเปิดประตูเนี่ยปึ้งปั้งเกรงใจเข้ามาเรามาปฏิบัติธรรมต้องเงียบสงบดูด้วยสยันทีสันติพลังสุขันสุขอื่นเยี่ยความสงบไม่มีแล้วนลีลูกอันสาทุชนทั้งหลายสัญญาปลยุเออยเป้ า, ายังในฉักชัยเนี่ยวันนี้ตัวต่อตั ว, ต ว, ต ว, ตวมา มาขอของดีไปเปิดป้ายทบุนายเปิดร้านอาหารบอกหราพ่อผมละหน้าได้แล้วคนที่มาเข้างานผมเนี่ยชื่อสัตว์หมดถ้าเรามีกรรมฐานแผ่ไม่ตายเขาเขาจะเป็นคนจากล้ายกลายดีได้เป็นคนชื่อสัตว์บอกว่าคนงานเขาแต่ร้านตัว 5, 60, ห้าหกสิบเป็นร้อยวันนี้บอกว่าขอของดีหน่อยหลวงพ่อเอารูปการจการที่ห้าไปจะไปเปิดร้านเปิดได้นี่ตัวห้าร้านเนี่ย ร้านขายอาหารบอกว่าลังมักิ้นกันฉบบัดเลยโอ้โหเก็บเงินเก็บท้องไม่พักเงินไหลนองทองไหลมานี่กรรมฐ า, านรวยแต่ทําไม่ตรงเันข้ามเจงกรรมฐ า, านเจงนะไม่มีกรรมฐ า, านเลยนะอยากคุยกันได้ไหมจะพูดกันก็พูดด้วยเหตุผลทานข้าวขอบเที่ยวช้าช้ท่านทําอย่างนี้นช้าเจ็ดวันช้าชาห้ามพูดปากไม่พูด จิตไม่คิดสมาธิภาวนาตามมาปัญญาเกิดหนังสือไม่มีตัวมันจะปุดให้ในศาลชายบอกเราพ่อผมจะเขียนมาให้หมดเลยนะลงกดทานกรรมเมืองที่เด็บอกเอารูปถ่ายมาดูผมไม่มีตังเลยเจ๊งเจ๊งไปแล้วนี่มันมาได้ยังไงยังเงินเนี่ยเป็นร้อยล้านมาได้ยังไงนี่วันนี้เข้ามาที่จะไปเปิดต่างประเทศเนี่ยเราเราต้องชอบรวยที่กันห ขอถามหน่อยฮะพวกเรานี่ชอบรวยไหมจ๊ะไม่มีใครชอบไม่เป็นไรไม่ชอบรวยไม่เป็นไรไม่รวยไม่ชอบฮะไม่ชอบไม่ออไเป็นไรทำอาถรรพ์เนี่ยถ้าไม่คนรวยบอกใครไม่มใครเชื่อรวยสติปัญญารวยการแก้ปัญหาได้ท่านมีโูกจะท่าคน ท่านมีสติควบคุมจิตท่านได้ท่านจะรู้เลยว่าลูกคนโตนี่จะเรียนหมอแล้วลูกคนที่สองนี่จะไปวิศวกรลูกคนที่สามนี่ต้องไปเข้าธรรมศาสตร์เรียนกฎหมายเป็นผู้วิพาาักษาท่านจะรู้อย่างนี้สำคันศียใจยด้วยไปรู้ไอ้เรื่องที่ไม่ควรจะรู้ใอ้เลื่องพูกชาวบ้านเขาชอบเอหูไปฟงังเสียงหนอนี่หมายความว่าอย่าไปสนใจเสียงเสียงก้าหูมันคนละอัน ตากับลูกเป็นคนละอันอยังนี่เป็นต้นนี่ยมันมีความหมายอยู่มากนี่วันนี้พยานมาเนี่ยวันหลวงพ่อผมจะเขียนลงกฎกรรมเรื่องที่เบ็เป็นตัวอย่างนี่ผมมาได้ที่วัดเนี่ยผมมาลืมตาปากได้ที่หลวงพ่อนี่นะที่หลวงพ่อสอนผมแล้วหลวงพ่อเป่าหวยผมบอกว่ารวยภายในไม่ช้เข้ากรรมาฐานก่อนกรรมฐานเนี่ยทําให้ผมช่วยใหญ่เยอะเลย มันจะมาบอกผมเองว่าสติบอกว่าควรไม่ควรแล้วคนที่มาสมัครงานที่มาเข้าเนี่ยควรไม่ควรแต่ผมเห็นแล้วเนี่ยสงสารมันสองคนพวมเมียเนี่ยนะจนไม่มีอะไรเลยแต่นิสัยไม่ดีนิสัยชอบโกหกสองชอบขโมยเลยผมก็ลองเลี้ยงมันดูทีแล้วเอามาเข้างานแล้วก็ผมก็แผ่มเมตตาให้เลิกโกหกได้เลยและไม่เป็นขโมย นี่เป็นได้แต่ขอให้ท่านมีสมาธิหน่อยแพ่เมตตาเขาสามารถเป็นไปได้อย่างึงเรียกว่ารวยวันนี้จะพูดเรื่องรวยให้ท่านฟังแต่ท่านไม่ชอบรวยก็ต้องฝืนใจพูดวันนี้แต่จะมาชอบรวยไม่ชอบจนชอบรวยแต่โยมไม่ชอบรวยไม่เป็นไรแต่วันนี้ต้องขืนฝืนใจพูดหน่อยเพราะคนมานี่ไม่ชอบรวยสักคน ชอบสวยไหมลนะ่ะชอบดีไหมชอบดีชอบสวยรวยทําใจให้กว้างขวางอย่าทําใจแคบสามีเขาจะไปไงอย่าไปสนใจอย่าไปหึงหวงนะจำไว้คนหึงผัวเนะี่ยคนใจแคบไม่รวยต้องเอาโลกออกหนะ้าโลกคือหมู่สัตว์ที่เราาสายกันอย่งนี้ โลกคือโลกีต้องเรียนหนังสือหาวิชาใ่ตนในโลกมนุษย์แล้วเราก็ไปเรียนโลภุตะละแก้ไขปัญหาควบคู่กันไปถ้าผู้ให้เด็กเข้าใจก็เรียกความรู้คู่ความดีดังนั้นจะอธิบายเรื่องง่ายจากการนั่งกับมาฐานถ้ทาท่านเดินยืนห้ า, ห, าหนอยืนหนอห้าครั้งได้เดินจกลมให้ช้าบางคนไม่เข้าใจมีจดหมายมหาธรรมา ยืนหน่อซะต้องหนึ่งชั่วโมงยืนเป็นลมล้มไปเลยบอกอาตำนามาจากไหนยืนเป็นชั่วโมงยืนหนอยืนหน่อเราก็บอกเดินหนอใชไม่เดินไม่รู้ไปจามใครมายืนหนออยู่หนึ่งชั่วโมงบอกเราพ่อเอ้ยแหมวิวเลยหวิวแล้วก็ล้มตึ้งลงไปเลยเข้าฌานสลบไปหนึ่งชั่วโมงเป็นลม ยืนหนอ่ห้าครั้งเท่านั้นนะไม่จะยืนต้องเป็นชั่วโมงนะจำไหมห้าครั้งแล้วก็หลับลืมตาดูเท้าเดินออกไปนะแล้วก็เลี้ยวขึ้นมาเราจะเดินต่อไปก็ยืนหน่อยอีห้าครั้งําผิดเลยยืนเป็นชั่วโมงก็ฉันไม่ชาบฉันนึกว่าฉันจะเดินรงกรมหนึ่งชั่วโมงก็ยืนหนึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งหนึ่งชั่วโมงแล้วฉันก็ไปนอนหนึ่งชั่วโมง อย่างเนี้ยจำผิดอย่าไปยืนอย่างนั้นเดี๋ยวเอาแค่ห้าหุนค้าห้าครั้งยืนลงไปหนึ่งสองขึ้นมาสามลงไปสี่ขึ้นมาห้าลงไปแล้วก็ลืมตาดูเทา้าเดินตรงกลมอย่างนี้นี่แหละกรรมฐานทำให้คนรวยได้นี่มีหลายลายแต่ไม่ปรากฏตัวมีมากๆเพราก็มีจดหมายมามาจะบอกชื่อราวเขารวยแล้ว ดูดูที่สวิตเซอร์แลนด์คนนี้น่าคิดเป็นตัวอย่างเขียนหลวงกฎแห่งกรรมได้มีหลักฐานและภรรยาเ็าชื่ออะไรชิปอาบสอนมีบุตรสองคนแล้วก็เรียนหนังสือเก่งเขาเนี่ยแรงแคนหลวงพ่อเลยจนมาเลยกินข้าวน้ําปลาก็เคยบัดนี้กินข้าวขอหมูเห็ดไตไตแล้ว ไม่ต้องแล้อิ่มบุญอิ่มกุศลผมนั่งเจริญกรรมฐานแล้วก็วันนี้เขาบอกว่าหลวงพ่อวันไหนขายไม่ได้เขาลุงน้องส่งข่าวมาผมนั่งกรรมฐานเลยเดินจงกมรมแผ่เมตตาสักเดียวเปล่งปล่งเปล่งเสียโอโ้โหเท่าแกหยิบไม่ไหวเลยวันนี้ไม่ได้กินข้าวเลยขายดีนี่รวยไหมเนี่ยรวยสาครัญงนั่งกรรมฐานไปคิดถึงแฟนนั่งกรรมฐานให้สามีกลับอย่างเงี้ยมันคนละเรื่องกัน ถ้าเามีบุญวัฒนาเี่ยเงินไหลนองทองไหลมาเองไม่ต้องไปที่ฐานว่าให้รวยไม่ต้องที่ฐานดังนั้นวันนี้ก็จะอธิบายถึงเรื่องความจนความรวยขึ้นโลกีย์ปัญญาในเบื้องตนต้นองธรรมะให้ยอมฟังนี่แะการเจริญกรรมฐ า, านหรือสวดพุทธคุณธรรมคุณเจ้าคุณให้พอเท่าอายุสวดมาภาภูมิกาเท่านี้เราก็สามารถมีสติปัญญาถ้าจิตใจดีจิตใจสบาย รวยถ้าจิตใจหดจิตใจหดเงินหดไปเลยเงินหนีไปหมดถ้าจิตใจท่านงอเงินก็จะงอกหมยถ้าลงดีเงินก็หลายนองท่งเลยมาถ้าล้มเสียเงินไหลออกทองไหลออกไปไปคบคาสมาคมสิ่งที่มาดีต่อไปดังนั้นขอท่านทั้งหลายโปรดนั่งใจฟังเพื่อเป็นทัศนะศึกษาในแง่คิดของการปฏิบัติทําเบื้องตน้น ที่การนั่งกรรมฐานในชั้นสูงเนี่ยถ้าเราทําชั้นสูงได้ชั้นต่ำก็ไม่ต้องอธิบายเแี้ยแต่วันนี้เรอธิบายชั้นต้นให้ฟังว่าเรารวยจนอย่างไรขอท่านติดตามฟังถึงไปนะโอกาสบัด น, นี้ขอเจริญพรเจริญสุขโดยทั่ว ก, กันณนะบัด น, นี้ในโอกาสบัด น, นี้จะบรรยายธรรมะสั้นๆว่าด้วยเรื่องความจนให้ท่านฟัง การนำเรื่องนี้มาแสดงก็เพื่อเตือนใจท่านเห็นคนเนี่ยอยากรวยกันนะก็ต้องเตือนกันว่าท่านที่อยากจนให้รีบหาทางแก้ไขไปเสียให้พ้นหรืออย่างนา้อยๆก็ให้ผ่นหนักเป็นเบาส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ไเชิญกับความยากจนก็จะได้หาวิธีป้องกันเสียแต่นั่นเนิดด้วยความไม่ประมาท เพราะความจนเป็นโจรที่คอยปล้นความสุขของคนหลับอย่าลืมว่าความจนนั้นเป็นโจรที่คอยปล้นความสุขของคนหล่าฉะนั้นขอท่านโปรศึกษาเรื่องความจนกันต่อไปง่ายๆให้เข้าใจบ้งต่ความเข้าใจเรื่องจนในนักสื่อเพราชนานกุกรมให้อาธิบายว่าจนคือขัดสนไายซับแพ หมดทางเช่นจนตรอกไม่มีทางไปจนใจไม่มีทางคิดจนแต้มไม่มีทางเดินจนมุมไม่มีทางหนีเมื่อสรุปกล่าวแล้วความจนคงแยกส่วนใหญ่ๆออกเป็นสองคือจนทรัพย์กับจนความดีทั้งสองประการนี้ควรแยกกันจนทรัพย์กับจนความดีสำหรับจนทรัพย์ ยังแบ่งประเภทไปอีกสองคือจนเพราะไม่มีจนเพราะเราไม่มีที่เรียกว่ายากจนอย่างหนึง่งกับจนเพราะมีไม่พอเรียกว่าจนใจอย่างหนึง่งส่วนจนความดีนั้นได้แก่ไม่มีความดีจนความดีนั้นหมายความว่าเราไม่มีความดีแล้วสมกับเพศภูมิของตัวที่เป็นอยู่จนเพราะไม่มีคือหลไร ทำไมจนเพราะอมไความจนเหล่านี้แต่และอย่างให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นเช่นความยากจนซึ่งบางคนคงจะรู้ลิศเดชมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างเริ่มแต่การใช้จ่ายกินอยู่นุ่งหม่มแสนจะฝึกเคืองเพราะเงินทองใครๆก็ยกย่องว่าเป็นแก้วสารพัดนิาขาดเสียขาดเสียแล้ว ขาดเลยนึกอะไรไม่ได้ถึงได้ก็เพียงแต่นึกแต่ไม่ได้ตามที่นึกเหมือนได้สมบัติในยามฝันเศรษฐีในใจเล่นใบบนบกเหมือนได้สมบัติในยามฝันเอาจริงจังอะไรไม่ได้ชักใหญว่าถึงสติปัญญาความคิดอ่านก็พลอย จะโหดซ่านลงไปด้วยจิตมันหดหมดอะไรจะอยากทั้งมันตรงกับที่ว่าลายซัพอับปัญญากลายเป็นคนเจ้าทุกใจคอไม่เบิกบานหมดชงาลาศีจะเจราจาพาทีกับใครหรือเข้าสังคมไหนไม่ไพ่เต็มภาพจริเนื่องจากทางโลกถือว่ามีเงินมีทองเจราจาได้คือทำให้ เสียงดังเข้าไหนเข้าได้คู่คนยำเกรงว่าถึงยากมิตรก็ดูจะอัตคัดขัดสมไม่เหมือนคนร่ำรวยซึ่งมียากทั่วทิศมีเม็ดทั่วประเทศเหมือนต้นไม้มีผลดอกนกกาพากันลุ่มล้อมมากมายแต่พอไร้ผนนกกาก็พากันห่างเหินสมกับที่ฉันว่ายามั่งมียติมาก ยามตกยากยากหมดยากหมดไปความจนเป็นมารคอยบันดาลให้คนเสียใช่แต่เท่านั้นความยากจนยังเป็นมารคอยบันดาลให้คนเสียต่างแต่ต้นเพราะนิสัยตลกตะแลงสับหลับกลับกรอกพูดจาเหลียวไหลให้มีนี่สินลงหลังกลายเป็นคนทุจริตช่อลาดบางหลวง ล่อลวงกล่นชดอมทั้งๆ ท, ที่บางคนไม่อยากทำเช่นนั้นแต่ความโจนบังคับให้ต้องทำดังนี้บางคนเห็นโลกนี้มีแต่ความทาลุนไล่เมตตาปลนันเกิดมามีแต่ความอาภัพอาพัาวากชนะเลยจบชีวิตลงอย่างหน้าอานาดก็มีอยู่ไม่เช่น้อยที่พระพุทธเ จ, จ้าตรัสว่า พาลิธิยังทุกขังโลกดความจนเป็นทุกข์ในโลกก็สมแล้งสาเหตุของความจนสาเหตุของความจนนี่แหละชะตาชีวิตของคนยากจนที่ใครๆพากันกลัวนักแต่ก็หนีกันไม่ค่อ้นทั้งที่อาจเป็นด้วยเหตุหลายอย่างในคำเพีอังคุตเกิดตะลิกายอัตตะมิบาท ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของความจนไว้สี่อย่างคือหนึ่งเกิดจากการเกียดกลั่นสอง 2. เกิดจากไม่รู้จากกาสสักรักษาทรัพย์สเกิดจากมีมิจฉุ่นสี่เกิดจากไม่เข้าใจใช้จา่ายทรัพย์ด้วยตนเองในเหตุสี่ประการดูเหมือนว่าขัดข้อข้อสุดท้ายจะปฏิบัติกันได้ยากข้อสุดท้ายปฏิบัติกันได้ยาก เพราะโดยมากคนเรามากักมีนิ ส, ยสัยชูุ้่ชู้ไล่ไม่ใคร่ประหยัดพอได้ทรัพย์มาแล้วก็ลืมตัวลืมความยากจนบางคนต้นเดือนเหมือนเศรษฐีแต่พอตกปลายเดือนเหมือนยาจกคนที่ชู้ลุย่ยชู้ไแม้รายได้จํามากจนถึงขนาดที่เรียกว่าปากถุงล้นแต่ปราบใดที่ก้นถุงยังรั่วก็ตั้งตัวยาก ก็มีแต่รายรับรายจ่ายแต่ไม่มีรายเหลือมีรายรับรายจ่ายหมดไม่มีรายเหลือยังมีเหตุอื่นๆอีกที่ทำให้ยากจนเช่นหนักในทางอบายมุกมัวเมาในการพนันชอบเสตสุราเมลีลายเกินขอบเขตตลอดจนมากๆในก า, มาลมลมตรงกับที่ว่าสุลานาหรือภาชีกีลาบัตนั่นเอง นอกจากนี้บางคนมีนิ ส, สัยสะพร่าของอะไรหายก็ไม่ติดตามหาโดยถือเสียว่าหมดหาใหม่หายช่างมันเครื่องใช้ชำรุดนิดหน่อยก็ทิ้งไม่รู้จักจะซ่อมแซมได้ครึ่งเสียครึ่งบ้านเรือนก็ปล่อยให้สกกระปลกลอกลุงลงังผู้จายายหยาบพายฟังแล้วไม่เป็นมงคลแก่หูรวมความว่าเอาหลักอะไรไม่ได้เลย ถ้าพ่อบ้านแม่เรือนคนไหนมีลักษณะอย่างนี้แนะทายว่าตั้งตัวได้ยากเต็มทีถึงจะล่ามรวยมาก่อนก็ปกครองทรัพย์ไว้ไม่ได้จะ ต, ต้องหมดเนื้อปานาตัวในโอกาสต่อไปเพราะฉะนั้นสีโภคาณมาสยุสีคือมิงขวัญเป็นที่มานอนเรีนเป็นที่มาแห่งโภคะหมายความว่าทรัพย์สมบัติ ชอบอยู่กับคนดีๆส่วนคนไม่ดีทรัพย์สมบัติไม่ชอบอยู่ด้วยเรื่องนี้ขอท่านพิจารณาดูเถิดท่านว่าของท่านไว้ไม่ผิดเลยในแบบตามคำสอนพระพุทธเจ้านี้แนวทางสร้างความร่ำรวยนี้ฉะนั้นผู้เห็นภัยของความยากจนจึงควรรีบแก้ไขเชื้ออย่าปล่อยไปตามอย่าถากำอย่างที่เขาพูดกันชีวิตนี้ยังมีหวัง ชีวิตนี้ยังไม่สิ้นหวังเพราะยังไม่สายเกินไปเมื่อรวยได้มันก็จนได้ธัญประมาทนะรวยได้ก็จนได้จนได้ก็รวยได้และเมื่อจนได้ก็รวยได้เป็นของคู่กันไม่ต้องวิตกกังวลแต่ประการใดท่านว่าทรัพย์มิกลักทรัพย์มิไกลใครปัญญาวไยหาได้หมอนานพวกแวร่แดนดินมีชิ้นทุกสถาน ผู้ใดเกียดคลานบ่อพานพบนาและว่าทรัพย์ในดินสินในน้าหมายความว่าทรัพย์มีอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งขออย่างเดียวให้ลงมือทาอย่างจริงจังเสมเ็จแน่พระพุทธเจ้าจอมปราดตรัสแนะนำทางร่ำรวยไว้ว่าหนึ่งต้องขยันทำงานสองต้องราษาทรัพย์ไว้ให้ปลอดภัยสเลือกพบแต่คนดีมีปัญญา สี่เข้าใจใช่ายรัพทของตอนมีบางท่านตั้งชื่อธรรมะถือข้อนิวาหัวใจเศรษฐีโดยอักษรตัวต้นของศัพท์คืออุอาตากะสะมาเรียงรวมกันท่านว่าใครภาวนาอยู่เสมอแล้วรวยทุกคนแต่อย่าพึงเข้าใจผิดคิดว่าเมื่อภาวนาคถามีแล้วไม่ต้องทามาหากินอะไรกันเลย เพียงนั่งหลับหูหลับตาสร้ำภาวนาอุกากาสะอุกากาสะเงินทองก็จะไหลามาเทมาถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็นับว่าเป็นกรรมของคนนั้นเพราะแทนที่จะเป็นเศรษฐีป ล, ปลายเป็นคนยากตกไปเลยความจริงท่านแนะให้ภาวนาซึ่งนั้นจุดประสงค์ก็เพื่อให้ลงมือปฏิบัติตามหลักธรรมทั้งสื่ประการนั้นอย่างจริงจัง จนกว่าจะบรรลุผลสมความมุ่งหมายเมื่อได้ทำความเข้าใจเช่นนี้แล้วก็ขอให้ท่านจองอลองนำูุตจายเศรษฐีไปภาวนาดูบ้างรับรองว่ารวยแนย่เน่เพราะพระพุทธเจ้าตรัสอะไรไว้ไม่ผิดไม่มีผิดอันหนึ่งทรัพย์นี้แม้จะเป็นเรื่องของโลกถึงดังนั้นนักธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมก็ควรสมใจ ผู้ปฏิบัติธรรมก็ควรสนใจด้วยเพราะตราบใดชื่อยังอาศัยโลกนี้อยู่ก็ยังต้องกินต้องใช้กราบนั้นก็ยังทิ้งทรัพย์ไม่ได้แม้กำบุสุงทานบางอย่างหรือจะสร้างประเทศชาติตราบนาให้รุ่งให้เจริญรุ่งเรืองก็ต้องอาศัยทรัพย์เป็นเครื่องสนับสนุนแต่ว่าเมื่อปฏิบัติธรรมมาขึ้นไปจนถึงขั้นสูงแล้วก็ละทิ้งทรัพย์ได้ เหมือนกับนายช่างที่สร้างตึกเสร็จแล้วก็ลงมือรื้อนั่งล้านล้านมาออกเสียชนะจนอันเกิดจากการไม่พออย่างท่านทั้งหลายอยุ๋ยจนอันเกิดจากการไม่พอในละแพทที่สองใจใจจนใจจนอันเกิดจากความไม่พอคือถึงจะมีทรัพย์เหลือล้นกว่าเหลือล้นความรู้สึกก็ยันจนอยู่เสมอ จนแบบนี้ทำให้ใจยิ่นลนอยู่เป็นนิดหาความสุขได้ยากบางรายจะกินอยู่ชายสอยก็ก็เบียดกรอมุ่งแต่จะสะสมท่าเดียวมีทรัพย์ไว้ก็เหมือนก้อนดินไม่เกิดประโยชน์ท่านควรผลสุดท้ายได้ดีลูกหลานเหมือนพึ่งที่อุตสาสะสมน้ำหวานไว้ให้ผู้อื่นเอาไปกินสบายตัวไม่ได้กิน เน่ยจนชนิดนี้ต้องแต่โดยวิธีทำใจให้พอคือถ้าพอเมื่อไหร่ก็รวยมานนั้นตรงกับที่ท่านว่าความไม่พอใจจนเป็นคนถึงพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การตงคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอการแก้จนแบบนี้ไม่ใช่ท่านจะสอนให้งอมมืองอเท้าไม่ให้ก้าวหน้าเพียงแต่ว่าให้หาความสุข ในทรัพย์สินที่มีอยู่ให้ได้เท่านั้นจนพอจนความดีบางคนจนความดีส่วนประกอบต่อมาได้แก่จนความดีหมายถึงว่าไม่มีดีเท่าที่ควรจะมีอันความดีนั้นมีสองประเภทคือดีโดยธรรมชาติได้จะดีที่มีมาเองเช่นลูกดีเสียงก็ดีเสียงเพราะเป็นตน้นนี้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งดีโดยคุณธรรม ถึงต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญขึ้นเช่นความกระตันยูความเมตตากรินาเป็นตน้นที่ว่าจนความดีก็มุ่งถึงจนดีประเภทนี้วิธีแก้ก็ใช้แบบวัวพันหลักคือลงมือทำดีเสียก็หายจนการที่คนเราต้องทำดีก็เพราะดีเป็นเหตุให้เกิดความสุขความเจริญและยังสามารถดูดดึงสิ่งดีงามต่าง มาให้อีกมากมายเช่นลาบยศสังเสริญและอื่นๆอีกนับไม่ถว้วนคนดีใครๆก็ต้องการอยู่ที่ไหนก็เป็นสีมงคลที่นั่นอย่าดูอื่นไกลเพียงต้นไม้ดีๆดอกสีสวยคนยังหาซื้อกันด้วยราคาแพงๆเพื่อนำไปประดับอาคารบ้านเรือนที่นี่ทำอย่างไรจึงจะรู้ได้ว่าอะไรดีหรือไม่ดี ข้อนี้มีหลักสังเกตในงานอยู่สองอย่างที่สิ่งที่ทำลงไปนะั้นถ้าถูกต้องตามะธรรมดีนามอย่างหนึ่งกับอีกอย่างหนึ่งเป็นประโยชน์แก่ตัวและแก่ผู้อื่นด้วยพึงทราบว่านี่คือความดีถ้าตรงใ น, นข้ามก็พึงทราบเสียดว่านั่นคือความชั่วความชั่วพึงทำความดีในหน้าที่อย่างไรเนื่องจากความดีที่ควรทามีอยู่มาก แต่เพื่อให้เหมาะแ ก, ะกะ่กแก่เวลาจึงขอสรุปกล่าวเฉพาะความดีในหน้าที่คิดว่าเพียงเท่านี้ก็พอแก่การปฏิบัติแล้วคือใครมีหน้าที่อย่างไรก็ปฏิบัติให้ดีที่สดุดเช่นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูอาจารย์เป็นทหารเป็นตำรวจเป็นนักบวชเป็นข้าราชการเป็นต้นก็ปฏิบัติไปตามหน้าที่เท่านั้นก็นับว่าเป็นคนดีได้ เปรียบเสมือนการแสดงละครเมื่อได้รับเป็นตัวอะไรก็แสดงได้ดีสมบทสมบาตจะเป็นตัวนางก็แสดงได้อย่า ง, า ง, างสวยงามจะเป็นทายเอกก็แสดงอย่างสวยงามสมบทบาตคนดูก็ยกย่องชมเชยโลกนี้เหมือนละครโรงใหญ่ทุกคนคือตัวละครของโลกมีหน้าที่แสดงต่างๆกัน สุดแต่ผู้กำกับคือกรรมผู้กำกับแสดงก็คือตัวกรรมจะบัญชาตลอดเวลาใครแสดงดีก็มีชื่อเสียงถ้าใครแสดงไม่ดีก็ได้รับแต่ชื่อเสียฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นคนของโลกควรชื่อสัตว์ต่อหน้าที่จะกล่าวพ้นจะไปตรงจำไว้ชันๆว่าเกิดมาเป็นคนอย่าให้จนความดี เกิดมาช่างทีต้องให้มีดีติดตนไปส่วนหน้าที่ที่ท่านจะพึงปฏิบัติเพื่อก้าวไปสู่ความดีจะมีดูอย่างไรบ้างไม่จําเป็นบรรยายเพราะจะกลายเป็นว่าเอาน้ํามาสอนปลาเอาน้ํามาสอนปลาให้เสียไ ป, ประเเหลาอันความดีต่างๆเท่าที่อ้างเหมนเป็นเพียงข้าโลภียังวนเวียนอยู่ในโลก มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายสุขบ้างทุกข์บ้างหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกระแสของโลกเมื่อตัดความอยากเสียได้ก็ไม่ทุกข์ฉะนั้นถ้าใครต้องการจะให้พ้นวนเวียนมุ่งสู่โลกโลภุตระอันเป็นแดงกระเสียพระพุทธเจ้าประจาสอนว่าซึ่งเมื่อสรุปกล่าวก็อยู่ตรงที่ตัดอยากเสียได้อย่างเดียวเท่านั้นก็สิ้นทุกข์ เพราะตันหักขยโยสับพะทุขังทินาติเมื่อหมดอยากทุเอื่นก็พลอยหมดไปด้วยแต่ว่าการละความอยากนับว่ายากอย่างเนื่องจากคนเรามีปกติติดอยู่ในความอยากซึ่งมีทั้งอยากได้ในสิ่งที่ตัวรักอยากเป็นในสิ่งที่ตัวชอบอยากไม่เป็นในสิ่งที่ตัวชังท่านผู้ฟังทั้งหลายเอ๋ย โปพิจารณาดูเถิดจะเห็นได้ว่าทุกต่างๆที่เกิดขึ้นแก่เราเป็นประจำอยู่ทุกวันนี้นะ่ล้วนเกิดจากความอยากเหล่านี้ทั้งสิ้นถ้าใครอยากมากก็ทุกมากใครอยากน้อยก็ทุกน้อยถ้าหมดอยากก็ไม่ทุกเลยแต่วิสัยปุถุชนจะให้พ้นอยากเห็นจะยากสักหน่อยเอาเพียงว่าอย่าให้อยากผิดที่มันผิดทางผิดเรื่องผิดราวผิดธรรมวิญญาณ ผิดกฎหมายบ้านเมืองก็นับว่าใช้ได้แต่ในขณะเดียวกันก็ควรพยายามลดความอยากลงทีละน้อยจนกว่าจะหมดไปในสุดเพื่อบรรลุชั้นสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาสรุปความว่าความจนทุกชนิดไม่ว่าจะจนเพราะเพราะไม่มีหรือจนเพราะไม่พอตลอดถึงจนความดีล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นเหตุนี้ผู้หวังความสุข ความเจริญจึงควรหาทางป้องกันอย่าให้ความจนเกิดขึ้นได้หรือเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็รับหาวิธีกำจัดเสียไม่มีอะไรดีด้วยการเจริญพระกรรมาฐานแก้ไขปัญหาความจนให้เรารวยน้ำาจรวยสิ่งที่เป็นคุณค่าของชีวิตและความดีอย่าปล่อยไปตามอยาถากรรมเลยเมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้ชื่อว่าได้อาศัยอยู่ในโลกอย่างสุขสาราญ ดังเทศนาบัญหารดังถูกกล่าวและทุปกรารท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโปรดพิจารณาตัวเองด้วยกันทุกคนเราจะเป็นศาสนาคริสต์อิสลามหฮินดูศาสนาใดาก็าตามเป็นเพื่อนเกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิไม่มีใครที่จะต้องออกนอกเหนือนี้ไปได้ สอนเ้าทุกชนพุทธบริษัททั้งหลายโดดพิจารณาทุกวันว่าให้ล้ำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตใจของเราทุกวันคือพระปัญญาคุณพระอุสุติคุณพระเมตตากรุณาคุณขององค์สมเด็จพระสรมมาทุกเดชะล้ำลึกถึงถ้งถาธรรมคำสอนทุกประการที่ควรจะปฏิบัติธรรมล้ำลึกถึง ถ, งถสงสาวกอริยสง ผู้ปฏิบปฏิบัติชอบทุกวันจงระลึกถึงทานที่เราบริจาคทุกวันทานไชบาน ท, ทําบุญถวายช่งางทานถวายบุญสงเคราะห์โรงพยาบาลโรงเรียนวัดวาอารามต่างๆและเราจะทําต่อไปให้ระลึกถึงศิ่งที่รักษาและจะรักษาต่อไปทั้งสิ่งอุโบสถสิ่งกรรมบดสิทธุทประการขอให้ระลึกถึงธรรม ที่ก็เป็นเทวดาฮิริโอตปะให้จงได้ข้อเจขอให้ระลึกถึงความตายทุกวันว่าเราจะต้องตายแน่ไม่มีใครจัดท่านเยียดเบียนไดน้ต้องตายอย่างจริงจังตายแน่นอนไม่มีใครรอดพ้นความตายไปได้แจกประกันได้ปรการที่8ให้ระลึกถึงสังขารร่างการอสุภะกรรมฐานมีแต่ของเน่าเปื่อย ไม่มีของที่จะสวยงามให้เพ้อเพลินเจริญใจแต่ประการในให้ลำลึกไว้นะประการที่เก้าขอให้ลึกถึงลมให้ใจเข้าออกให้ใจเข้าพองนอให้ใจออกไปก็ยุหนอทุกวันว่าเราให้ใจเข้าไม่ออกให้ใจออกไม่เข้าเราก็ต้องจากโลกไปสิ้ตายทุกวันแล้วข้อสิบขอให้นึกถึงอารมณ์พระนิพพาน ขององค์สมเด็จตัมมาทั้งผกกู้เจ้าของเรานั้นสอนให้เราพ้นทุกข์ถึงบรมปุถุคือนิพพานโดยถั่วนากันขอสา้าทุกชนทั้งหลายตั้งใจบำเพ็ญเพียรกุศลทานสินละภาวนาตลอดการประวัติสารพิกษณนานสิรกรกรรมดังกล่าวแล้วไว้เป็นประจําทุกวันข้าจะไม่ประมาทข้าพลัง อีกต่อไปจะเจริญสุกเจริญซีจเจริญหน้าที่การงานรสสัตว์อาคต า, านแก่ลูกหลานในนาพตการเหเือนนาสื่ต่อไปขอท่านชาตุชนพุทธลักษณ์บริษัททั้งหลายจงประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรงอกงามไพบูรณ์ในบวรพพุทธศาสนาขององค์สมเด็ดจจตุมาสัมพุทธเจ้าโดยถั่วนากน ขอทุกชาติจงกรรินไปด้วยอายุวันนะสุขคาพละปฏิพานกน า, านาคราละสมบัตินึกเคิดซึ่งหนึ่งประการใดขอให้สมมาตราธนาะโดยถั่วนากันณนะโอกาสบัดนี้เถิด